ทุกท่านสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสรนสนีสนทนามาพบกับท่านเพื่อให้ท่านได้มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการนําอาไปสู่การปฏิบัติเพื่อทุกน้อยลงน้อยลงหรือว่าบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยมีพระมหาภัยบุญอ ภ, ภิปุโนวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีมาให้ความรู้แก่เรานําพวกเราปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่ในตอนต้นของรายการและตอนนี้ ดิฉันอยากจะพาท่านทั้งหลายนั้นไปพบกับท่านอาจารย์กันเลยนะคะกลาวมรส ก, การกันท่านคะเจ้าปอนรเรามาเริ่มต้นในการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัตินั้นก็คือเรื่องของใจนั่นเองใจที่เราน้อมมาในทางที่จะนรระําธรรมะเข้าสู่ใจนั่นคือถ้าเราฟังผ่านทางหูแล้วจําได้ในสมองแล้วการนําธรรมะเข้าสู่ใจนี้คือการปฏิบัตินั่นเองวิธีการปฏิบัติที่จะให้ธรรมะจากสมองเข้าสู่ใจของเราได้ จิตของเรานั้นจะต้องมีการดําเนินไปตรงให้มันตรงทางการที่จะทําให้จิตตรงทางได้ น, นั้นก็คือต้องตั้งสติขึ้นน่เองวิธีการในการที่เราจะตั้งสติขึ้นในคราวนี้เรามาลองปฏิบัติในเรื่องของอนาปานาสติกันดูโดยการใช้ลมหายใจ ล, ลมหายใจของเราที่ผ่านอวัยวะเข้าเราให้มาระลึกถึงนะที่ตําแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมเวลาที่เรามารับรู้ถึงสัมผัสของลมที่มันกระทบอยู่ในในโพรงจ ม, มงูกเนี่ยรับรู้แล้ว จิต ท, ที่อยู่ตรงนั้นมารับรู้ถึงสัมบัติของลมนั้นคือจิต ท, ที่มีสติต่างขึ้นสตินั้นเปรียบเหมือนกับนายทวารที่จะคอยเฝ้าประตูเอาไว้นะรักษาไว้ให้สิ่งที่ถูกต้องนะเป็นมิตรเข้ามาในใจของเราให้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องเป็นศัตรูเป็นอับกุศลอยได้เข้ามารักษาไว้ที่ไหนบ้างก็ตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจที่มันจะพุ่งเข้ามาสู่จิตอินทรีย์ทั้งหลายเป็นที่ แล่นเข้ามาสู่จิตจิตนั้นจึงจะต้องมีสติเป็นที่รักษาสตินั้นจะเกิดขึ้นจากการที่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือก็ได้ในการที่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งสตินั้นจะเกิดขึ้นจากการที่เราใช้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้แตการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นการที่เรามานึกถึงคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของท่านอันนี้ก็จะทําให้จิตของเราตั้งอยู่ได้การที่จิตตั้งอยู่เนี่ยหมายความว่าเวลามีสิ่งมากระทบแล้ว มันไม่ได้เข้าไปเกลือกล้วยินดีพอใจในสิ่งที่น่าพอใจมันไม่ได้ไปขยักขยังเกลียดชังหรือว่ามีการกราฟ้ากระเฟีมีความโกรธเกลียดในสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่คือตั้งอยู่ได้เหมือนกับเวลาที่เราตั้งอะไรขึ้นสักอย่างใดอย่างหนึ่งตุกตาล้มลุกเนี่ยมีอะไรมากระทบปุ๊บมันก็เด้งกลับมาที่เดิมจิตที่มีการรับรู้แล้วก็ยังอยู่ได้พระบรมราชาภิเษกเทียมเหมือนกับเตาที่อยู่ในกระดองเตาเนี่ยถ้ามันเก็บรักษาอวัยวะ ของมันเอาไว้ในกระดองนสุนัขจริ้งจอกที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวามันก็จะทําอะไรเต่านั้นไม่ได้จิตที่มีสติตั้งขึ้นไม่ว่าจะใช้ลมหายใจจะใช้เครื่องมือใดๆเนี่ยมันตั้งอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้ไปเกลือกกลัวแต่ก็่าเกลือกลั้วนั้นก็เปรียบเหมือนกับเวลาที่น้ําฝนนะหรือน้ำเนี่ยหยดลงบนใบบัวน้ํากับใบบัวติดกันอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้เกลือกลัวเป็นเนื้อเดียวกันเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมาปุ๊บ น้ำนั้นก็ระเหิดเถยไปหรือว่าที่เวลาที่มันเอ็นไปปุ๊บน้ําที่อยู่บนใบบวงดอก บ, บวง น, นั้นก็กลิ้งหลบไปเช่นเดีวยวกันภาษามา ก, กระทบจิตแตจิตที่มีสติตั้งเอาไว้โดยการปรารอถึงพระพุทธเจ้าก็ตามโดยการระลึกถึงลมหายใจก็ตามรับรู้อยู่รับรู้อยู่ทั้งเสียงก็รับรู้อยู่ความคิดก็รับรู้อยู่แต่จิตนั้นไม่ได้ไปเกลียดกลัวแต่การไม่ได้ไปเกลียดกลัวนั้นก็คือไม่ได้ไปยินดีพอใจตามมันไม่ได้ไปลุ่มหลงตามมันรับรู้แล้วก็วางเฉยได้ การที่เรารับรู้แล้วเฉยอยู่ได้นี่แหละคือความที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทโธจิตที่เป็นแบบนี้จะไม่ได้เข้าไปเกลือกลั้วรับรู้สิ่งนั้นโดยความเป็นเวทนาว่าโอ้นี่เป็นสุขนะนี่เป็นทุกข์นะรู้อยู่แต่รู้อยู่เฉยสักแต่ว่ารู้อาการที่รู้อยู่เฉยสักแต่ว่ารู้เนี่ยความรู้ตรงนี้คือพุทโธแน่นอนจิตที่เป็นพุทโธนั้นและอย่างเช่นเรล่าอริยะสาวกตั้งแต่ไลมั้งแต่พระพุทธเจ้าเลยนะพระปัิจจกับพุทธเจ้า พระอรันตะเจ้าทั้งหลายก็มีจิต ท, ที่เป็นพุโทโธแต่ก็รู้แล้วไม่ได้ไปกลือกลัวรู้แล้วไม่ได้ไปยึดถือตามมันรู้สักแต่ว่ารู้ความรู้สักแต่ว่ารู้นั้นคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในภาษาใดๆที่มากระทบเนี่ยจิตต้องมีสติแน่นอนสติตรงนี้คือการระลึกได้นั่นเอง๋ย่ยเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งเอาไว้ศรัทธาตัวนี้แหละจะทําให้เกิดการทําจริงแน่แ น, แน่จริงเป็นวิรยิยะเป็นความเพี่ยนเกิดขึ้น พอเรามีความมั่นใจลงใจเชื่อใจเราเลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นศรัทธาแล้วเราเลึกถึงแล้วทําจริงแล้วจิตเราก็จะมีสติเกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นนี้ก็จะเป็นตัวที่รักษาให้จิตของเรานั้นไม่ได้ไปเกลือกล้วในภาษาต่างๆแล้วก็จะทําให้จิตนั้นมีสมาธิมีสมาธิเป็นโรแมนเดียเป็นวสุขารมมีสินแรมมากระทบแล้ววางเฉยอยู่ได้ไล่มาตั้งแต่สมาธิชนิดที่มีความคิดจนถึงความวางเฉยเป็นอุเบกขาแล้ว ไอจิตที่เป็นรวมมันเดียวเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างตามที่เป็นจริงแน่นอนเวลามีสิ่งใดมากระทบแต่เราไม่ได้ไปเกลือกล้วในเราจะเห็นตามเนื้อผ้าเลยคือถ้าเราไปยินดีพอใจเราก็จะมีแต่เห็นแต่ข้อดีของมันถ้าเราไปขยันขยงเกลียดชงังเราก็จะเห็นแต่ข้อเสียมีอคติในมันแต่ถ้าเราไม่ยินดีพอใจไม่ขยันขย้งเกลียดชงังเราก็สามารถที่จะเห็นสิ่งนั้นตามเนื้อผ้าได้โดยสตทยิที่เราตั้งอยู่จะปราบรบลมหายใจก็ตามจะปรารบสิ่งใดๆก็ตามอ่ะ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะใช้จิตของเรานั้นไม่เผลอไม่เผลอไปเกลือนกล้วนในสิ่งที่มากระทบเพรา ะ, ะนั้นการกระทําตรงนี้ก็ใส่การที่เราฝึกการกระทําอยู่เป็นประจำเราจะใช้เครื่องมือใดๆก็ได้เพื่อได้ให้จิตของเรานั้นสามารถตั้งอยู่ได้เจะเรียนอนามันสติด้วยนะรู้ลมหายใจบ้างหรือว่ามาคิดถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าสวดมนต์บทใดๆก็นึกถึงไปตรงนี้จะทำให้จิตของเรานั้นมีพลังเพิ่มขึ้นและสามารถที่จะทําการรู้ทำ ใ, ใคร่ครวญทำให้ มีความเรียนลึกซึ้งต่อไปได้เจริมพันธ์สถูกค่ะเดิฉันนึกถึงที่ท่านได้สอนเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะเจริมพันก็คิดไปถึงในการดําเนินชีวิตของคนธรรมดาเนี่ยปกติเราก็จะมีการพูดถึงสติกันในระดับหนึ่งอยู่แล้วอในระดับการดําเนินชีวิตคือเหมือนกับมีสติกับการขับรถนะ่อยอย่าประมาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะออือก็เท่ากับว่ามนุษย์เนี่ยมีสติอยู่บางส่วนแล้ว ทีนี้ท่านบอกว่าเมื่อมีสติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่มากระทบจนทำให้เกิดเวทนาต่างๆความรู้สึกต่างๆใช่ไหมคะใชะ่ยกตัวอย่างดีฉันเพิ่งดูในไลน์เพื่อนๆนดูแล้วก็รู้สึกว่า <laughs> โอ้ยเรารู้สึกมันรู้สึกอะคะ่ะคือเขา <laughs> ให้ดูเท้าของคนที่โดนลิฟ นีเบิกบวชอะไรเงี้ยเป็นแผลแล้รู้สึกโอ้โหนี่ขนาดอันนี้ถ้าเป็นยกตัวอย่างอย่างนี้กลับในทางธรรมะเนี่ยเท่ากับว่าเรายังสติไม่มั่นคงพอไหมคะที่มันยังรู้สึกอ่ะก็ยังต้องเปลี่ยนไปอยเพิ่งดูแล้วกลับมาว่ากันมาเราไม่อยากดูความรู้สึกนั้นคืออะไรก่อนถ้าถ้าเป็นลันกษณะของสลดสังเวชดูแล้วมันสุสลดสังเวชเลยเนี่ยคืออันนี้ถูกนะไม่นะไม่สลดสังเวชคะ่ะ<ต>ดูรู้สึกขยังเกลียดชังใช่ไหมอ่ อาจเสียวค่ะมันเสียวขาตัวเองด้วยค่ะท่านครับอ๋อถ้าถ้าอย่างนี้ก็คื อ, อสติเนี่ยมันจะมีอยู่บ้างไม่ได้ขนาดเผลอกนาดว่ารำให้คร่าครวญโยมโทรศัพท์ทิ้งทาลายข้าวของหรือว่าด่ากราดไม่ต้องขืนขนาดนั้นคือสติแตกแต่ว่าการที่เรายังพอจะรวบรวมสติอยู่ได้การที่เรายังแบบอยู่ในศีลได้อันนี้คือเรายังมีสติแน่นอนนะมีสติแน่นอนคือถ้าเรายังอยู่ในศีลได้ไม่ได้ด่าเข้าไปจนมิดฉาววาจาไปแล้วอย่างเงี้ยนะ คือเน้นใจว่ายังควบคุมสติได้แน่นอนคุณหยงติวควบคุมได้แน่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ละเอียดอาจจะมีแบบมีการปรุงแต่งต้องมีการควบคุมมีการอดทนไอ้ น, นี่ก็คือเหมือนกับเราได้ปรุชาเปรียบเทียบมันนะเหมือนกับเราล้างทองคํามาเนี่ยคุณเอาสินแร่ทองคําคือมันก็คือดินสีเหลืองๆเนี่แหละเอามาผ่านการล้างอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดจนได้เป็นผงทรายทองแล้วแต่ว่ามันกําลังหลอมกันอยู่มันยังไม่เข้าไปนเนื้อเดียวกันมันก็ยังจะต้องมีการ ปรุงแต่งมีกันกระทําอย่างไรยังต้องมีทำทำไปอยู่ต่ออีกยังไม่เรียบร้อยดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีมีอยู่เนาะอาจารย์พั น, นค่ะและที่ท่านได้กล่าวถึงพระพุทธองค์ได้เปรียบเหมือนการรับรู้ไม่เกลือกลัว้วเฉย อ, อยู่ได้อืเปรียบกับน้ําอยู่บนใบบอลใช่ไหมคะถูกต้อ ง, องที่น้ําไม่ซึมเข้าไปข้างในใบแล้วก็ถ้าสามารถทําอย่างนี้อยู่ได้ เป็นสักแต่ว่ารู้ก็ถือว่าได้พุโทโธแล้วถูกต้องอันนี้หมายความว่ า, ารู้แจ้งบรรู้ธทำปไปเลยหรือเปล่าคะคือพุโทโธนี่คือรู้สักแต่ว่ารู้นะคือรู้พุโทโธเนี่ยสับคำเนี่ยนะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคก็เม่ารู้ตื่นเบิกบานนั้นหมายความว่าไม่ได้เข้าไปเกลือกกลัวแน่นอนทีนี้ตรงเนี้ยคือความพ้นไงคือความพ้นคือวิมุติไงสมมติ า, าเรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วเสียงมันไม่มารบ ก, กวนเรารู้สึกว่า เสียงก็ไปได้ยินอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มารู้สึกกวนใจไม่ได้เป็นเส้นหนามในใจอันนี้คือเป็นวิมุตแล้วนะวิมุตของจิตของคุณจากเสียงนั้นพ้นละแต่ความพ้นนี้อาจจะกลับกําเริบไหมก็อยู่ที่ว่าในจิตมันยังมีอวิชชาซ่อนอยู่หรือเปล่าถ้ามันยังมีอวิชชาซ่อนอยู่มันจะกลับกําเริบได้เช่นออกจากสมาธิก็เปิดหมอ้อรำเราไม่อยากฟังก็บางทีก็เครืองเหมือนกันแต่ถ้าไม่กลับกําเริบแล้วคืออวิชชาถอนหนอกหมดแล้ว อันนี้ก็คือมันจะไม่กลับกําเริบก็จะเหมือนกับที่เราทำสมาธิได้อยู่ตลอดเวลาค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าจะกลับกําเริบหรือไม่แต่ขณะที่ได้ความรู้สึกว่าสักแต่ว่ารู้นะ่ะได้การเป็นพุทโธแล้วถูกต้องถูกต้องแน่นอนเนีนน่ยนะนะคะอ่าถ้าจะกลับมาใหม่อีกก็ถือว่าเรายังไม่ได้ถึงเป็นอะไรคะยังบรรลุธรรมยังไม่ได้เป็นพระอาหารหนะันต์น่ะ ยังไม่เป็นพระอาหารหันต์นะคะแต่อยู่บนทางละ ท, งทำท<า>เป็นล ะ, ะถูกต้องทําทําให้บางคนเนี่ยที่เขาได้สมาธิฝึกอย่างต่อเนื่องยาวนานได้ทุกเรียบทได้ตลอดเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยก็คิดว่าอันนี้คือคือ น, นิพพานไงแต่ <c oughs> สมัยก่อน <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้่นะผู้ที่ฝึก <c oughs> ชานสมาธิจนชํานาญในขั้นนั้นเน่ะมีอยู่ก็จะคิดว่าตรงเนี้เป็น <c oughs> เป็น เป็นนิพพานว่าตนเองนิพพานแล้วอ่าเป็นที่ว่าฉันเป็นพุ้โธแล้วอย่างเงี้ยนะจริงๆมันยังไม่ใช่ก็คงจะมีคนที่เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยทุกยุคทุกสมัยนะคะอ่าใช่ใช่เดีฉันเชื่อว่าอ่าจะไม่เข้าใจผิดได้ต้องอยังไงครับก็าบางทีเราก็ไม่รู้ว่ายัางไงถูกนะ่ะแต่ว่าก็มันอาจะใช่มันอาจจะใช่ <laughs> การที่เราจะจะไม่เข้าใจผิดตรงนี้ได้เนี่ยกนยันเลยในม<ต>ิตรนี่จริงสําคัญมากเลยกลนยันเลยในมิตรนี่จริงสําคัญมากเลย แม้แต่สัมมาสัมพุทธเจ้าเอ ง, งท่านก็มีกัลยาณมิตรของท่านกัลยาณมิตรของท่านนะคืออะเรมักมีองแปดอย่างเงี้ยนะสมมาสัมพุทธานนะคือตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองนะหรือปัจเจกพุทธคือตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าสอนคนอื่ไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีกัลยาณมิตรของท่านคือมักแปดเราเราพูดที่ตรัสรู้ตามก็มีพระบุตรชาเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรไงจะเป็นพระบุตรช า, าจะเป็นครูอาจารย์รุ่นหลังๆมาหรือว่าจะเป็น มักแปก็ได้ถ้าเราจิตรา ล, ละเอียดพอจะเอาตรงนั้นเป็นกัลยาณมิตรก็ได้ค่ะจะว่าไปเนี่ยในยุคที่คําสอนมีการบันทึกมีการเผยแพร่ให้เราเลือกใน<ม>หลายสื่อไว้เสร็ด้วยซ้ําเนี่ย น, นะคะเราก็จะรู้ทฤษฎีละ<ม>อืมว่าอ๋อมักแปดที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมีรายละเอียดเช่นนี้ก็น่าจะพอทําอยู่ได้นะไปเหมาเอาเป็นกัลยาณมิตรของเราเลยได้ไหมคะใช่สิได้ได้ได ความความเราใช้เราต้องใช้มร๘เป็นกาลยันมีแน่นอนเพราะว่าแค่ว่าเรามาฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมเนี่ยจิตคุณมาจดจ่อยอยู่ตรงนี้คุณเป็นสติเป็นสมาธิขึ้นมามร๘อยู่ในนั้นเลยค่ะอ่าสมมุติว่าพวกเรากําลังอยู่ในหนทางของมร๘นะค ะ, ะก็คือพยายามที่จะมีทิฏฐิที่ถูกต้องคือศรัทธาในาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มาถึงข้อที่สองสัมมาสังกัปปะอ่าไม่มีความคิดที่ถูกต้องคิดชอบ ไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนทีนี้ดิฉันยกตัวอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจิตเศร้าหมองมากนะคะเกิดความขัดแย้งระหว่ังสงกัระว่าดเนี่ยค่ะออืนะค ะ, น ะ, คะในฐานะเราเป็นชาวพุทธนะคะท่านคะ่ะอแต่ในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนาน า, น า, นานเลยออื ม, อ ม, มีการไม่มีใครที่จะไม่เห็นภาพเหล่านั้นนะคะสาหรับยุคสมัยนี้ถ้าไม่เห็นนี่ต้องถือว่าคุณเป็นคนที่เก็บตัวได้ดีมาก นื้น ว, วิเวกทีนี้พอเห็นเนี่ยที่ฉันเชื่อว่ามันก็เกิดผัสสะถูกไหมคะ<ช>ถ้าเราพูดภาษาของธรรมะเนี่ยอืมเกิดผัสสะก็จะเกิดต่างๆตามมาเกิดเวทนาล่ะอืใช่ไหมคะ<ช>อ่ะคนว่าเอาข้างพระก็ว่าไปอย่างคนเข้าข้างอ่าคนที่ทะเลาะ ก, กับพระหรือว่าเป็นคู่กรณีกับพระก็ว่าไปอย่างอในนี้นะคะออเราเนี่ย ได้เห็นแต่เรามีความรู้สึกกลัวที่มันจะกลายเป็นอกุศลหรือจะกลายเป็นการเป็นวิชาสังกัปปะเป็นการดำริไม่ชอบอ๋อเราก็จะไม่ไปร่วมวงวิาพากวิจารณ์สมมติ น, นะคะมมแม้แต่จะนึกจะคิดเราก็ยังไม่อยากจะคิดเพราะว่าคิดไปทางไหน เสี่ยงต่อการเกิดอกุศลรู้สึกเริ่มจะอยู่ในสังคมไม่ค่อยได้แล้วนะคะคือเหมือนกับว่าก็จะจะหลีออกมาอย่างนี้เนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วไหมสำหรับคนที่พยายามเดินอยู่บนมัคหรือว่ามิ่ก็ไม่ตรงถึงขนาดนั้นเรยโยมก็ว่าก็ไปตามถูกตามผิดตามความคิดเห็นโยมก็ ม, มีประสบการณ์เยอะแยะค่ะอันนี้เป็นสมาธิใ น, นการที่เราจะละมิจฉาสังกปะ การที่เราจะเจริญสัมมาสังกัปปะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราไปคิดไม่ดีเฮ้ยฉันไม่ทำหน้าจะไม่อยากทําฉันจะต้องมาทําความคิดที่ดีให้เกิดขึ้นในใจน่ะอันนี้เป็นสมาธิฏิแน่นอนแล้วเราพยายามทำใช่ไหมความพยายามนั่ก็เป็นสมมาวายมะคือเราเดินอยู่บนมรรคแน่นอนอันนี้แน่นอนทีนี้ผลของการที่คุณมีสมาธิฏิแบบนี้คุณมีสัมมาวายมะแบบนี้เนี่ยผลที่ออกมาอาจจะมาในรูปแบบของการที่เราหลีกออกคือเราไม่ยุ่งเราอาจจะ ่ไปไม่เกี่ยวข้องเลย น, นี่ก็อาจจะมาในรูปแบบนี้ได้หรืออาจจะออกมาในรูปแบบของการที่เร า, เาให้ข้อมูลที่ถูกต้องอข้อมูลที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะแต่เรามีความรู้นะคุณก็ให้ข้อมูลได้เพราะว่าเรื่องของมาร์กปเนี่ยคุณโ ย, ยมถึงมันอยู่ในจิตไงมีอยู่ในจิตซึ่งมีผลออกมาเป็นทางกายทางวาจาถ้าจะพูดใช่ป่ะคุณจะพูดอธิบายใช่ป่ะอย่าพูดมิจฉาวาจาน ะ, ะถ้าคุณจะไปมีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็อย่าทํามิจฉาสังกปะอย่าทํามิจฉาชีวานะ มันมันทําได้เพราะว่ามัคแปนี้เป็นสิ่งที่แบบกว้างมากในการที่เราจะเอามาปฏิบัติได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนอ่ะอยู่ฝ่ายพระอยู่ฝ่ายที่อีก้างนึงกับพระก็สามารถที่จะเจริญมัคแปดได้ค่ะอือ่าจริงๆแล้วแต่เพียงก็นึกมากเลยนะคะว่าเอ๊จะสนทนาเรื่องนี้กับท่านดีหรือไม่เพราะว่าจริงๆก็ไม่อยากหยิบยกมันเป็นหัวข้อสนทนาแต่นี่บางทีในความเป็นนักศึกษามวลชนอื เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยก็อาจจะต้องแตะกันบ้างไม่มากก็น้อยอฉันเองก็จริงๆไม่ไม่ไม่อยากจะวิาพากษ์ทาจารย์แล้วก็คือเราพูดหลักรามได้<ม>คุณยมติวณมาจอธิบายให้ฟังแล้ <c oughs> คือคำว่าเอาเอาเอ า, เอาคําอาพุทธพจน์ก่อนดีกว่านะ้ะเอากลับมา <c oughs> ที่ตัวแม่บทก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้า บ, บอกว่าในทิศภาคใดทิศภาคใดนะ ท, ดนะที่ <c oughs> สงสงนี่คือหมายถึงหมู่นะหมู่ หมู่สงเนี่ยหมู่สงสงนี่แปลว่าหมู่เพราะนั้นหมู่ของอะไรหมู่ของอุบาสกบาสิกาภิกษุพิกษุณีนั่นคือของพุทธบริษัททั้งหมดแต่ไม่ใช่แค่เฉพาะพระอย่างเดียวนะแต่หมู่ของสง์นี่แปลว่าหมู่นะถ้าจะใช้คําว่าหมู่พิกษุก็ต้องใช้คํานี้คือพิกษุสงคือหมู่พิกษุอุบาสิกาสงคือหมู่อุบาสิกาพิกษุนีสงก็คือหมู่ของพิกษุณี น, นันก็จะมีคํานี้อยู่คำว่าสงเนี่ยหมายถึงหมู่เพราะฉะนั้นหมู่คือสงเนี่ย ที่ว่าเรามีสังคังสรนังขชามิเนี่ยนะคือมีหมู่เนี่ยหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัตชอบเพราะฉะนั้นหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะภิกษุอย่างเดียวแต่ยงรวมถึงภิกษุณีอุบาสกอุปัสิกาด้วยในทิศใดบุรชาวบานในทิศใดที่หมู่เน่มีการทิมแทงกันด้วยหอกคือปากแแสดงว่า3มอย่างนี้ไม่มีและอีกสอย่างหนึ่งต้องแสดงว่ามีมากแสามอย่างนี้ที่ไม่มีคืออะไรคือความคิดในทาง หลีกออกจากก้ามความคิดในทางไม่พยาบาทและความคิดในทางไม่เบียดเบียนเนี่ยแสดงว่ามีน้อยหรือไม่มีแต่อีก3อย่างหนึ่งจะต้องมีมากหรือว่ามีอยู่บ่อยๆก็คือความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนจึงทำให้หมู่นั้นเนี่ยแทนที่จะสามัคคีกันมองกันด้วยสายตานคนที่รักใครกันเป็นอยู่เข้ากันได้กับน้ํานมเหมือนผสมกับน้ําถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นแสดงว่าก็มีการทิ่มแทงกันด้วยห่อคือปาก ดา่านว่าการเถียงกันก็แสดงว่าไอ้สัมมาสังกประตรงนี้ไม่มีหรือมีน้อยมิจฉาสังกประเนี่ยมีอยู่มากหรือมีอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือคแม่บทมีมีอยู่ในหมู่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกันทั้งหมดถูก ต, ต้องถูก ต, ต้องใช่ค่ะเพราะงั้นการที่เราจะจะเคลื่อนไหวทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะแล้วถ้ามันไม่ได้ทิมแทงกันด้วยห่อคือปากแล้วการเคลื่อนไหวนั้นเป็นการกระทําที่ อมองกันด้วยสายตาขอางคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เข้ากันได้ดีเหมือนน้ำนมกับน้ำอันนี้ขึ้เป็นไปตามมรคแน่นอนเป็นไปตามสามมาสังกปะตรงนี้นั่นเองอันนี้ก็คือตัวแม่บทหลักธรรมอะ่ะแต่ในส่วนของการวิพากษ์วิจารณ์ข้อเท็จจริงที่ท่นคิดว่าเราก็ไม่ทราบนะคะเราข้ามไปเลยดีกว่ามาตอบคาถามของท่านผู้ฟังที่ยังคงค้างอยู่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วอะคะ่ะของคุณจักรกล ได้กลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าสติอธิษฐานการงานที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์แสดงว่าเราเอาจิตไว้กับกายในการทํางานโดยไม่ต้องรู้ลมหายใจไปพร้อมกันก็ได้ใช่ไหมครับเพราะถ้ารู้ทั้งลมทั้งความคิดทั้งทํางานจะทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องได้ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องไหมครับโอเคในเรื่องของการทํางานจิตอธิษฐานการงานคือเอาการที่เราทํางานแล้วก็รู้ไปในการอันนี้ถูกต้องอยู่ทําอย่างนี้ได้ แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะรู้ลมไม่ได้เพราะว่าคนที่ทําได้ก็มีเช่นครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกอนาพนาสติชํานาญอย่างเงี้ยนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านกินข้าวท่านเดินไปนั่นนี่ท่านก็จะรู้ลมอยู่ตลอดเวลานีน่คือท่านจะเล่าให้ฟังมันคือท่านทําอย่างชำนาญแล้วแต่บางนั้นก็จะเปรียบเทียบอย่างเงี้ยอย่างเวลาที่เราขับรถเนี่ยนะตอนที่ฝึกขับรถแรกๆเนี่ยคุณยมติวกับเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลเป็นไหม โอเคตอนที่ฝึกแรกๆ น, นะทั้งทั้งเกียร์ใช่ไหมทั้งพวงมาลัยแล้วก็ยังมีต้องมีไอ้ที่เหยียบสามอันอ่าเบรกคลัชคันเร่งกระจก3ามบานแล้วยังต้องฟังคนข้างๆ <c oughs> ว่าเขาพูดให้ไปทางไหนหรือมีอินสตรักชั่นอย่างไรเนี่ยมันแทบจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยไหนะจนกระทั่งคุณอาจจะชนสักสองสามรอบนะจอดรถตามตรง น, นั้นตามตรง น, นี้เอาลองฝึกหัดทางไกล ฝึกไปคนเดียวจอดถอยหลังเดินหน้าขึ้นสะพานอย่างเงี้ยมันถึงจะเริ่มมีความชํานาญนะพอชํานาญปุ๊บเนี่ยนะคุณโยมติยวแม่สามารถที่จะขับมือเดียวไม่ได้ใช้มือด้วยมือจับโทรศัพท์อยู่เอาใช้ศอกเอาปากคุยกับคนข้างข้างนะเลี้ยวโคง้งคิดทางไปพร้อมๆกันได้นะมันมีความคล่องแคล่วไบอย่างงี้ยไหนะอยู่ที่ความชํานาญตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ที่บอกว่าพอรู้ลมแล้วเนี่ยจะทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความบกพร่องเนี่ยอันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้น คือมันสามารถทําไปด้วยกันได้ถ้าเรามีความชานาญแล้วที่ถามว่าเราไม่จําเป็นต้องรู้ลมหายใจไปพร้อมกันก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เข้าใจถูกอยู่นะมีสองจุดตรงนี้ที่คุณจักริตา ม, มาในที่นี้เนี่ยนะค่ะอแต่ถ้าฝึกไปก็สามารถทําพร้อมกันได้ชดิฉันได้ยินคนใกล้กนะคะที่เป็นผู้ตั้งออตั้งใจฝึกปฏิบัติตั้งหลายคนเละคะ่ะที่บอกว่าเดี๋ยวเนี้ยรู้ลมหายใจตลอดเวลาอืม <Okay. S 2> ใช่คือ ล, ลักษณะาการที่รู้ลมหายใจในขณะที่กําลังทํางานอย่างอื่นอยู่เนี่ยนะอาจมาอยากจะเพิ่มเติมให้คุณจกักกิดตรงนี้นหนึ่งว่ามันไม่ได้รู้แบบแจ่มแจ้งชัดเจนมันจะรู้อยู่อ่อนๆคําว่ารู้อยู่อ่อนๆเนี่ยหมายมันเหมือนกับลักษณะว่าเหมือนกับกับเราเราจะพูดยังไงดีมันมัน ย, ย, ย้ายไปได้นะจิตคือมันจิตมันไม่ได้มีรูปร่างฟอร์มที่ชัดเจนแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เรารู้อยู่ลมเนี่ยเราก็รู้อยู่ยสิ่งอื่นเนี่ยมัน มันจะอ่อนๆอยู่อย่างเงี้ยนะอธิบายในลักษณะนี้แหละค่ ะ, ะคําถามของคุณจั ก, กริดอีกคําถามหนึงนะคะว่าผู้ที่มีอาเทศปาติหารคงเข้าใจว่าอาเทศนาปะใช่ใช่อาเทศ น, นาปาติหารอาเทศนาปาติหารสามารถรู้ว่าระจิตของคนอื่นได้แม้จะอยู่ไกลกันใช่หรือไม่ครับถูกต้องอยู่ไกลกันอันนี้คืออยู่ที่ความสามารถคือความความชัดเจนของญาทัศสนะอันนั้นคือบางคน จะต้องอยู่ต่อหน้าแล้วเห็นเขาทําอย่างใดหนึ่งถึงจะรู้ว่าเขาจะ m o v ต่อไปยังไง อ, อ, อย่างเช่นว่านักกีฬาด้วยกันอย่างเงี้ยนะ บ, นบาสเกตบอลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเห็นคู้ต่อสู้ขยับตรงนี้ปุ๊บเขาจะรู้ว่ามันจะไปทางขวาหรือไปทางซ้ายอย่างนี้นะอันนี้คือเขาเขามีความสามารถตรงนี้ในการที่เขาจะรู้ตรงนี้ได้อันนี้ยกตัวอย่างใเฉยคือตรงนี้ต้องต้องเห็นกันหรือ บ, บางคน ก, นก็จะอยู่ไกลกันได้รู้กันได้ ยอตัว อ, อย่างเช่น<บ>พรหมสามดีพรหมรู้ความปริวิตกในใจของพระพรุทธเจ้าด้วยใจจึงอันตรายมจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่หน้าฉบัพระพรุทธเจ้าเนี่ยการรู้ได้ตรงเนี้ยคืออาเทศนาปาฏิหารแน่นอนค่ะบางคนก็เลยอาจจะคิดว่าเอ๊ะของเราในอาเทศนาหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งกําลังคิดถึงอยู่พอดีอโทรมาเลยสมมตินะคะกําลังคิดถึงคนนี้อยู่พอดีอันนี้คิดว่าความบังเอิญแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะคะอ่าใช่ใชในโลกมนุษย์อืมอันนี้เรียกว่า ความบังเอิญก็เป็นไปได้ทั้ง2 อ, อย่างนะเป็นไปได้ทั้ง2 อ, อย่างคือไม่รู้ว่ามันเกิดจากเหตุอะไรอะกอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้หรืออาจจะเป็นความที่เป็นอเทศฐานปิหารก็ได้เพราะว่ามันความชัดเจนของยานะัทัศนะเนี้ยมันมันก็จะเป็นดีกรีไปถ้าแบบอาจจะรู้แป๊บเดียวไม่ได้รู้ตลอดอาจจะรู้เฉพาะคนนั้นไม่ได้รู้ทุกคนอาจจะรู้เฉพาะเวลาก่อนตื่นนอนไม่ได้รู้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะ เราก็จะรู้เฉพาะเรื่องนี้ไม่ได้รู้เรื่องอื่นนะความ แ, แหลมคมของญาณทัศนะก็จะไม่เท่ากันตามอะไรตามสมาธิที่คุณมีค่ะแต่ฉันเชื่อว่าคงจะมีท่านฝั่งบางท่านนะคะอาจจะต้องการทราบว่าดูออกไหมคะว่าคนไหนมีความสามารถในการมีอาเทศนาปฏิหารจะได้ระวังตัวไว้ <c oughs> อันนี้เราแสดงว่าเราปรารบโลกก็เรียกว่าโลกาทิปไตยนะ สมมติว่าเราเราคิดว่า อ, อพระองค์นี้หรือว่าคนคนนี้เนี่ยนะเขาจะมารู้บาราจิตของเราใช่ปะ่ะแล้วถ้าเราทําชั่วแล้วเราจะแบบรู้สึกระอายอย่างเงี้ยนะคือนี่คือคปรารถคนอื่นเนี่ยเป็นใหญ่ในการที่เราจะไม่ทําความชั่วเนี่ยนะอันนี้คือโลกา ท, ทิปไตยนะการความคิดอย่างนี้อะไรมาว่าดีนะเอแต่ถามในคําถามคุณโยมเต๋วคือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เขาเขาเขาจะรู้ไหมใช่ป่ะนี่จะบอกให้เราไม่มีทางรู้หรอก เพราะว่าอะไรเพราะต่อให้เรานั่งอยู่ที่นี่ถ้านผูฟังนั่งอยู่ที่บ้านคุณโยมติวนั่งอยู่ที่บ้านธรรมานั่งอยู่ที่วัดเนี่ยนะถ้าคนนั้นเขาต้องการรู้จริงๆเนี่ยเขาก็รู้ได้ทันทีพวกเลยเราไม่จําเป็นจะต้องไปเห็นหน้าเขาก่อนเขาจะรู้ได้ทันทีเลยโลกาทิปไตาจะเป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นโลกาทิปตยโลกาทิปตยใช่อย่างนี้ก็เป็นชื่อของการปกครองชนิดหนึ่งมันจะมีอัตตาธิปไตยโลกาทิปตาก็ธรรมาธิปไตยไงนี่ เดี <Yeah. S 2> ๋ยวฉันเองเคยมีประสบการณ์ที่ยังคิดว่าเอ๊ะท่านอ่านจิตเราออกหน้าเลย mm hmm. เคยไปกราบพระปฏิบัติรูป mm hmm. หนึ่งตามการพาไปของน้องที่สนิกันท่านก็อาวุโสมากแล้วนะคะอื mm hmm. ท่านท่านปลาลบอะไรออกมาเนี่ยยังคิดว่าเหมือนเหมือนท่านรู้อะ่ะ mm hmm. ท่านเหมือนท่านพูดกับเราอื mm hmm. เหมือนท่านพูดกับเราคนเดียวเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็พูดย้ําอยู่ยนั่นแหละอืม mm hmm. เป็นอะไรที่เดี๋ยวฉันว่าเออสงสัยท่านไม่ธรรมดานะออืแล้วก็เลยกลัวค่ะไม่กล้าไปหาอีกคือความกลัวเนี่ยจะต้องกลัวว่าไม่กล้าจะทําบาปอีกอันนี้ถึงจะมีอริโอตาที่ตั้งไว้อย่างดีนะอ่านี่คือปรารบโลกละโลกอาธิวาตายเอาโลกเป็นใหญ่ทีนี้ในในเรื่องของการที่เเราอจะรู้วระจิตคนได้เนี่ยเหตุปัจจัยคืออะไรนนี้ตรรมาต้องกันเน้นตรงนี้นิดหนึ่งว่าคนที่จะมีอาเทสนาปริหารหรือว่า จุตูปปาตญาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะใช้สองสองคำพูดนี้นะเทศนาปริหารก็คือรูวาจิเขาหรืออีกคำหนึ่งก็คือเจโตปริยญาณเนี่ยเหตุเกิดจะต้องเกิดจากสมาธิเหตุเกิดนะจะต้องเกิดจากสมาธิสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวน้ําจิตไปนี่คุณก็จะรู้ได้เป็นปฏิหารอย่างหนึ่งได้แรืงมันมันจะมีเองใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องฝึกไปจนเกิดอย่างนี้เกิดความสามารถนี้หรือว่าเป็นไปได้ ฝึกฝึกใช่อ น, นี้ต้องฝึกเอาคือจากสมาธิปุ๊บแล้วน้ําจิตไปอทีนี้ประเด็นคือตรงนี้ว่าอาบางคนนักมายากลบางคนเขาก็สามารถที่จะให้คุณสลับไพ่นั้นนี้โนอนแล้วก็เดาได้ว่าคุณเลือกไพ่ใบนี้เหมือนกับรู้จิตของเราเคยดูโชว์อะไรต่างๆนะว่าที่เขาแบบมีกระบวนการขั้นตอนคุณโยมติว๋วเคยคงจะเคยดูพวกนักเล่นมายากลนะนะเดี๋ยวนี้ยิ่งแบบว่า มีวิธีการแบบต่างๆทําให้โหเหมือนกับเขาสามารถรู้จิตเราได้ว่าเราจะเลือกอะไรก่อนทันทีที่เรายังไม่ได้เลือกพอเลือกออกมาเสร็จปุ๊บออกมาถูกพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันเนี้ยไม่ใช่เกิดจากสมาธิไงแต่เป็นการแสดงมายากลหรืเป็นกลเป็นเป็นเวทเป็นอะไรก็เถอคุณดิฉันเข้าใจว่าอาจจะไม่ใช่เวทโดยซดิฉันว่าเขามีวิธีการตระเตรยียมใช่ตรงเนี้ยก็คือการแสดงมายากลอย่างหนึ่ง นะซึ่งเหตุประลบจากคนละแบบกันจะคนละแบบกันเนา ะ, บบนนะถึงถึงแม้ว่าเรื่องของแบบการพูดทักอะไรอย่างนี้ก็ตามอ่ ะ, อะซึ่งหลายๆคนก็เขาเอาไปใช้ในเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยนักจิตวิทยาอย่างพวกที่อยู่ตามบริษัทเนี่ยเป็น HR รเนี่ยเขาจะมีจิตวิทยาในการพูดคุยกับพนักงานะอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับรู้ใจเขาอย่างเงี้ยนะเพื่อให้เข้ากับพนักงานได้ก็จะมีจิตวิทยาในการพูดคุยให้เหมือนกับว่ารู้ใจเขาอย่างเงี้ยก็จะมีจิตวิทยาอยู่พวกมาดูก็จะเอาไปใช้อยู่บ้างนะ ค่ะแต่ไม่ใช่อาเทศนาปฏาิทินไม่ใช่อาเทศนาปฏิฐานในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้<อ>เป็น<อ>ความสามารถในการอ่านจิตคนอื่นเลยเป่าคะถ้าแปลว่าอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องเทศนานี่คือเห็นเห็นตามที่เขาเห็นได้เขาคิดยังไงเราเห็นตามได้เนี่ยคือศัพท์คํานี้เลยอาเทศนะนั้นท่านพูดบอกว่าเหตุเกิดจากการปฏิบัติมากๆอย่างนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็อาจจะต้องการเหมือนกันนะคะว่างั้นเราไปฝึกการเป็นผู้มีความสามารถ ในการเห็นอย่างนี้ดีกว่าอ่านี้พระพุทธเจ้าก็เคยจะเปรียบเหมือนกับว่าคนที่ต้องการแก่นไม้แต่ว่าไปถึงแล้วก็ถ้าเอากระพี้ไปเฉยเฉยมันเสียดายของเข้าใจไหมอยาวแต่กะพี้ไปเอาแก่นไปดีกว่าเพราะว่าอนุษย์ธรรมดาทําไม่ได้ยังจะเป็นกะพี้ <c oughs> อีกนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันยังเป็นกะพี้คือมันมีมมแก่นอยู่ไงแต่พระพุทธเจ้าไล่มาเป็นโยติร้ามาตั้งแต่ใบกิ่งใบไล่มากิ่งใบจนถึงแค่สะเก็ดกับกาบของมัน สกเกลกาๆของมันลึกเข้าไปก็กระพี้ลึกเข้าไปก็จะมีแก่นนั่นนี้เป็นอุปม า, าประมยัยแปลว่ า, าศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ไม่มีปาฏิหาริย์หรือไงคะปาฏิหาริย์ที่เป็นแก่นหนึ่งมีคือก็เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหาริย์หรือว่าความรู้ในการที่จะทําอัศวะให้สิ้นตรงเนี้ยคือแก่นนั่นะคือแ ก, แก่นที่จะทําให้กิเลสมันสิ้นไปได้เพราะว่าอัติศนานปาฏิหาร ก็คนที่ได้ก็ยังไม่สิ้นกิเลสก็มีเนะตอนนี้ก็จะเหมือนกับเป็นกะพีงไงค่ะงั้นก็เท่ากับว่ามีในสิ่งที่เรียกว่าอาเทศนาปาติหารใช่แต่ท่านไม่อยากให้เราได้แค่นี้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ถูกไหมคะถ้าจะว่าไปไม่มีประโยชน์อย่างแท้จริงอ่ถ้าเราต้องการทำสาวบ้านแเราต้องใช้แก่นไม้ใช้กะพีไม้ไม่ได้เนะี่ยก็คือ กิจที่จะสําเร็จได้ด้วยแก่นไม้แล้วคุณเอากำพีไม้ไปทำเนี่ยคุณจะไม่สําเร็จประโยชน์มันจะคว่ำมันจะไปไม่รอดไงนี่คือตรงนี้จึงต้องพัฒนาตนให้ได้อนุสาสนีปาฏิหารอนุสาสนีปาฏิหารใช่นี่คือหมายถึงพระพุทธเจ้าท่านเทศสอนเราปฏิบัติตามจนกระทั่งราคาโทรศัมหนหมดไปนี่คือตามกระบวนการของอนุสาสนีปาฏิหารอคือหมายถึงว่าปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าจนเกิดปาฏิหารเหล่านั้น ถูกต้ อ, องปริหารนั้นคือจัดครบองค์ของมันใช่ไหคะในเรื่องของอธิษฐานปฏิหารยังมีอีกนิดนึงใ น, นที่เกี่ยวกับเรื่องของรพรพภิกษุนั่นก็คือว่าการที่จะแสดงการที่จะแสดงให้เห็นในกรณีของที่คุณโยมติวพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะที่ว่ามีครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถที่จะเหมือนกับว่ารู้จิตเราเนี่ยการทําอย่างนั้นนั่นคือการที่ท่านแสดงแล้วนะแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านมีใช่ไหมคือท่านไม่ได้พูดว่าท่านมีแต่ท่านทําให้ดูอย่างนี้นะการทําให้ดู ตัวนี้ก็กทําได้นะแต่การที่จะพูดโดยที่ไม่ได้ทําให้ดูเนี่ยการพูดว่าฉันมีนะแต่ไม่ได้ทําให้ดูเนี่ยอันนี้ก็จะมีสําหรับพระภิกษุก็จะมีความผิดอยู่นิดนึงนันคือจะเป็นอาบัติปาจิตติแต่ถ้าพูดให้ว่าฉันมีแต่จริงๆฉันไม่มีนี่คืออาบัติหนักเลยปาละชิกไปเลยอค่ะอวดไม่ได้ว่างั้นเถอะอ่าคืออวดแล้วมีไหมถ้าอวดแล้วไม่มีนะคนนี้หนักมากปาราชิกแต่ถ้าอวดแล้วมีด้วยอันนี้ก็ เบาหน่อยแต่ก็ยังผิดอยู่ดีแต่ถ้าทําให้ดูอันนี้คือไม่ผิดอะไรจร น, นฟังค่ะสาธุค่ะท่านฟังท่าเราก็ได้ความรู้กันไปอีกส่วนหนึ่งแล้วนะคะสําหรับรายการสันสิงสนทนาการสนทนากับพระมหาภัยบุญอภิปุณโญวัดป่าดอนหายโสขุดรนธานีค่ะวันนี้เราก็คงจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลาหมดแล้วตามรับฟังการสนทนานี้ได้ใหม่ทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะ ส่วนจันถึงสุกนั้นพระมหาพาบูลท่านจะมาพบกับท่านฟังอยู่ที่นี่ FM106 ร้อยหครอบครัวข่าวดิฉันสันสนิ น, นาพง์ขอกราบในวสัสดการขอบพระคุณท่านพิบูลไว้แต่เพียงเท่านี้ในวันนี้นะคะเจีบ้าเาุการะแล้วก็จะลาท่านฟังที่ค ร, รบทุกท่านไปเพื่อที่จะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะพู้ทวดสวัสดีค่ะ